อนุบัญญติภิกษุต้องอาบัติปาจิตีเพราะฉันขณาโพชนะนอกสมัยสมัยในข้อนั้นคือสมัยที่เป็นไข้สมัยที่ถวายจีวร น, นี่เป็นสมัยในข้อนั้นสิกขาบทนี้พระผู้มีพระภาคทรงบัญญติไว้แก่ภิกษุทั้งหลายอย่างนี้